สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สิบเก้าเรื่องยา่าโมเพราชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อที่เจ็ดและข้อที่แปดโปรดฟังโพชนะของพระเจ้าอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้าย การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นฉ่ำแก่กระดูกของตนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงองค์พระบุญ เ, เจ้าและหลบหลีกหนีจากความชั่วเพราะสิ่งนี้จะรักษาร่างกายของเจ้าและหล่อเลี้ยงกระดูกของเจ้าภาษาอังกฤษนะครับ be not wise in thy own eyes fear the Lord And d e part from evil. It shall be held to thy navel and marrow to thy bones. ที่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้คืออย่าโมโนมโนเป็นภาษาวัยรุ่นนะครับแปล ว, ว่าอย่าคิดไปเองถามว่าทำไมเราจะต้องไม่คิดไปเองเรื่องอะไรคำตอบก็คือว่าอย่าคิดมโนว่าตัวเองฉลาด ครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการพึ่งพาพระเจ้าเราควรที่จะพึ่งพาพระเจ้าด้วยร้อยเปอร์เซ็นอย่าคิดว่าเราเก่งในสายตาของเราเองแต่เราต้องเปิดใจรับฟังและรับการแก้ไขจากพระวจนะของพระเจ้าและจากที่ปรึกษาที่พระเจ้าได้แต่งตั้งขึ้นมาพี่น้องครับการที่เราจะให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นที่ปรึกษาของเราก็นั่นแหละ ที่ปรึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือที่ปรึกษามหาสจรรัจนะครับก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สถิตยอยู่ในชีวิตของเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับในขณะเดียวกันครับให้เราต้องนําการตัดสินใจของเรานะครับมาอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนํานะครับแล้วเรายังต้องมีที่ปรึกษาส่วนตัวที่เป็นคนของพระเจ้านะครับที่เป็นผู้เผยพระชนะที่จะเล่าความจริงบอกความจริง เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นเครื่องนําทางชีวิตของเรานะครับแล้วก็เราต้องติดตามการทรงนําของพระเจ้าผ่านทางพรอเจชนะของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําอธิษฐานและทาตอบที่มาจากพระเจ้าโดยผ่านทางผู้คนของพระองค์พระเจ้าจะทรงกระทําให้วิถีของเราร่าเรียบนะครับราบรื่นโดยการทรงนําและการปกป้องที่มาจากพระองค์เราจะเห็นว่าขษัตรพซูลมอนนั้นพยายามที่จะ ให้พวกเราทั้งหลายทุกคนไม่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ในสมัยของพระองค์ที่ได้อ่านหรือได้ฟังเท่านั้นทุกยุค ท, ทุกสมัยเราจะต้องยอมรับพระเจ้าในทุกทางของเราครับเราจึงจะรู้ว่าพระเจ้าจะทรงนําเราในหนทางไหนนั่นหมายความว่าการยอมรับต้องมาก่อนครับนั่นหมายความว่าการที่เราจะต้องมอบถวายทุกตารางนิ้วของชีวิต แด่พระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูได้ทรงเน้นความจริงข้อนี้เหมือนกันครับในมัทธิวบทที่หกข้อสามสิบสามใช่ไหมครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับพระองค์ในทุกทางและหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงทําให้วิถีของเราราบรื่นเมื่อเรามอบทางของเราให้กับพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาให้พระองค์มาก่อนนะครับเรา ต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งครับการจัดลำดับความสำคัญนั้นทำให้เรานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราได้มันจะกระทบกับค่านิยมของเราครับว่าอะไรมีค่ามากที่สุดในชีวิตของเราอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราและเรายังไม่ยอมรับพระเยะซูในด้านใดบ้างเมื่อพระองค์แนะนาหรือเมื่อเราพบกับคาสอนในพระคัมภีร์ที่เราต้องเปลี่ยนแปลง เรายอมรับพระองค์หรือเปล่าเราจะต้องยอมรับพระองค์ทุกๆด้านนะครับในขณะที่หลายครั้งณนะเวลานี้เราอาจจะยังไม่ได้ยอมรับพระองค์ในทุกๆด้านก็จริงก็ตามขอพระเจ้าได้อวยพระทรงนําเรานะครับในการที่เราจะมอบชีวิตของเรานะครับขยายอาณาเขตชีวิตของเราให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองมากขึ้นครับมีกี่ด้านครับที่เราพยายามไม่ให้พระองค์เข้ามามีอิทธิพลครับนะ ถ้าตรงนั้นเนี่ยเราพยายามเก็บไว้เป็นของเราเองในที่สุดเราจะเสียใจครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะอธิษฐานส่วนตัวกับเจ้านะครับให้พระองค์มีส่วนในชีวิตของเราในทุกสิ่งที่เราทำครับและมอบชีวิตของเราถวายแด่พระองค์หลังจากนั้นพระเจ้าก็จะทรงนำเราครับเพราะเรากำลังทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พระองค์ได้ตั้งไว้ในชีวิตของเรา พี่น้องครับอย่ามาโนะครับที่นี่บอกว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามนะครับหลายๆคนบอกว่าเราเป็นคนไม่ฉลาดโดยการเรียกว่าถ่อมใจและจะถ่อมใจอย่างจริงใจหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ดื้อเราอาจจะเป็นคนที่เป็นเรียกว่าหัวรั้นนะครับหรือเรียกว่าเป็นคนที่ดันทพรังอันนี้คือ มนโนไปว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางและคิดว่าตัวเองนั้นถูกเสมอพระคัมพีบอกว่าอย่ามนโนจงยำเกรงพระเจ้าให้พระเจ้ามาก่อนครับยำเกรงพระองค์ยำเกรงที่นี้มีอยู่สองความหมายก็คือเกรงกลัวนะครับเกรงกลัวและอันที่สองก็คือเราจะต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเฟียร์ออฟเโรเนี่ยนะครับแปลว่ากลัวก็คือกลัวการลงโทษของพระเจ้าครับกลัว การที่พระเจ้าจะตีสอนหนักๆ น, นะครับและเกรงกลัวนี่หมายความว่าเกรงอกเกรงใจยอมรับพระองค์ถวายเกียรติแ่พระองค์หลบหลีกจากความชั่วในข้อที่แปได้บอกว่าเพราะสิ่งนี้จะทําให้เราแข็งแรงรักษาร่างกายของเราแข็งแรงพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพ้นจากการถูกทําลายชีวิตพ้นจากการไล่ล่าและในขณะเดีวยวกันครับหลอเลี้ยงกระดูก ของเรานั่นหมายความว่าทําให้เรานั้นมีชีวิตชีวาเพราะน้องครับความยำเตือพระเจ้าเนี่ยรักษาร่างกายของเราได้ความยำเตือพระเจ้าเนี่ยหล่อเลี้ยงกระดูกของเราได้น่าแปลกนะครับที่ตรงนี้ใช้คําว่า marrow to die bones นั่นหมายความว่าเป็นไขกระดูกสําหรับกระดูกของเราคนเรานะครับถ้าไม่มีไขกระดูกนะครับก็จะไม่สามารถผลิตเลือดได้ไขกระดูกเนี่ย เป็นต้นตอเป็นเรียกว่าสเต็มเซลล์นะครับเป็นต้นตอของเซลล์ต้นกําเนิดเวลาคนที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเป็นมะเร็งในต่อมน้ําเหลืองจะต้องรับการรักษาแบบการปลูกถ่ายไขกระดูกเขาจะต้องเอาโบนแมโรออกมาครับเพื่อที่จะให้กําเนิดชีวิตและฉีดโบนแมโรนะครับที่แยกแยะออกมาเป็นเซลล์เม็ดเลือดกลับเข้าไปร่างกายครับนะีกลับเข้าไปร่างกายก็จะได้ชีวิตใหม่ เพ่อครับผมเคยผ่านกระบวนการนี้มาผมก็มีความรู้สึกชาบซึ้งและเข้าใจว่าแมโร o w ูไดโบนนั้นมีความหมายอย่างไรนันหมายความว่าการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายทางเนื้อหนังที่ดีนะครับก็ความยำเกรงพระเจ้าครับทำให้เรามีสุขภาพดีพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งนี้จะร่างรักษาร่างกายของเจ้าและหล่อเลี้ยงกระดูกของเจ้า ทำให้ร่างกายของเรานะครับกระดูกของเราเนี่ยจะมีชีวิตจะมีชีวิตการมีชีวิตแบบนี้คือการที่ทพระคัมภีร์พูดชัดเจนครับว่าจะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าครับพี่น้องครับคำว่าชุ่มเนื้อของเจ้าเนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับก็คือว่า never let yourself think that you are wise than you are simply obey the Lord and refuse to do wrong ถ้าคุณท i l ันม i นจะเ o ็น e หมือน e าดีรักษา your wound and easing your pain. แสดงว่าคำว่ากับะครับก็คือความเจ็บปวดครับบาดแผลพี่น้องครับยาที่ดีก็สามารถรักษาบาดแผลได้เช่นเดียวกันครับการยำเกงข้าททำให้เราหายจากการบาดเจ็บบาดเจ็บเรื่องอะไรครับบาดเจ็บทางใจบาดเจ็บทางอารมณ์ บาดเจ็บทางด้านจิตวิญญาณครับการยําเกรงพระเจ้าทําให้เรากลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งครับแต่ความยําเกรงพระเจ้ารักษานะครับจิตใจที่ฟกซ้ํารากขมคืนบาดแผลที่ร่างกายและจิตใจขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรารู้จักความยาเกรงพระเจ้าแต่ความยาเกรงพระเจ้านั้นทําให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องผมจะบอกกับพี่น้องว่า ความเมตตางพระเจ้าทำให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆอาเมน